สัตว์มีชีวิต114ที่ชื่อว่าสัตว์มีชีวิตหมายเอามนุษย์ที่มีชีวิตภิกษุมีทยจิตจับต้องต้องอบัตทุกกฎทาให้ไหวต้องอบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัดปาราชิกภิกษุคิดจะพาเดินไปให้ย่างเท้าที่หนึ่งไปต้องอบัดทุลใจให้ย่างเท้าที่สองไปต้องอบัดปาราชิก